ส่วนสูตรต่อไปเนี่ยนะเป็นสูตรแรกตรัสรู้เหมือนกันนะในอุทานนั้นกล่าวถึงพระสูตรแรกๆตรัสรู้เนี่ยเยอะมากหลายสูตรด้วยกันตั้งแต่แรกตรัสรู้ใหม่ๆมแม้กระทั่งสูตรนี้เหมือนกันในข้อ84่หน้า359โลกะสูตรข้าพเจ้าได้สะดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้คือตรัสรู้ใหม่ๆหเนี่ยนะหรือตรัสรู้ก่อนกว่าใครทั้งหมด พระองค์ประทับอยู่ที่ควงไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้าเนรัญชาตําบลอุรุเวลาก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสวยวิมุติสุขโดยบาลังเดียวตลอดเจ็ดวันครั้งนั้นแหลโดยล่วงเจ็ดวันนั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธิคืออรหัตตมผลสมาธิเนี่ยนะแล้วก็ตรวจ ด, ดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุเคือพระองค์เนี่ย ที่บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยนะที่กระทําด้วยความทุกข์ยากลําบากนี่อะไรเป็นปัใจจัยให้พระองค์ทําก็กรุณาใช่หมันนั้นหลังจากที่พระองค์นีสเสวยวิมุติสุขเจ็วันเนี่ยนะกรุณาเนี่ยกระตุ้นเตือนพระองค์ก็ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุขพุทธจักสุเป็นชื่อของอาสยานุสยายานและอินเดียโปรปรยิยติยานพระองค์ก็ได้เห็นหมูสัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่ด้วยความเดือดร้อนเป็นอันมาก ถูกความเร่าร้อนเป็นอันมากที่เกิดจากราคะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างแผดเผาอะนะก็เห็นมูสัตถ์เนี่ยถูกเผาด้วยราคะโทสะและโมหะเนี่ยไฟเผ า, เผาตลอดเวลาก็คิดดูนะว่าหายากมากที่ใดที่จะสงบจากราคะโทสะและโมหะสงบจากโทสะด้วยศีลพบบ่อยไหมพาร่วมกันสมาทานศีลร่วมกันรักษาศีลเราภาพเหล่านี้เราเห็นบ่อยไหม ที่เป็นศีลสิกขาเนี่ยนะที่เป็นเจตนาศีลเป็นต้นเป็นภาพที่หาดูยากสมถะทั้งหลายที่สงบจากตัณหาเป็นต้นก็เป็นภาพที่หายากโดยเฉพาะปัญญาทั้งหลายที่รอบรู้ในอริยศาส์ยิ่งยากพันหมู่สัตว์โดยมากจึงถูกไฟคือราคะโทสะโมหะเนี่ยแผดเผาอยู่พระองค์ทราบเนื้อความนี้แล้วนะทราบเนื้อความความเดือดร้อนของโลกทั้งหมดแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า โลกนี้เกิดความเดือดร้อนถูกภัสสะครอบงามแล้วย่อมกล่าวถึงโรคโดยความเป็นอัตตาถือเอาขันห้าที่เป็นตัวโรคนี่ถือว่าเป็นอัตตาใช่ไหมก็โลกย่อมสําคัญสําคัญว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนโดยประการใดขันถ้าปัจจกะอันเป็นวัตถุแห่งความสําคัญนั้นย่อมเป็นอื่นจากประการที่ตนสําคัญเพราะสัตว์โลกนี้ถือว่าขันห้าเป็นเที่ยงเป็นของเที่ยงสุกงามยั่งยืนและอัตตาใช่ไหม แต่ขันห้าก็ตรงกันข้ามกับที่เขาสําคัญอยู่เสมอโลกข้องแวะแล้วในภพมีความแปรปรวนเป็นอื่นถูกพบครอบงำเพลิดเพลิน อ, อยู่ในภพนั่นเองนะหมกมุ่นครุ่นคิดติดลุ่มหลงอยู่ในภพโลกย่อมเพลิดเพลินสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยนะเขาเพลินในสิ่งที่น่ากลัวเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเพลินนี่น่ากลัวสักขนาดไหนโลกกลัวสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกข์ นนะสิ่งใด ท, ที่เป็นภัยนนะสิ่งนั้นเป็นทุกข์ก็บุคคลอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะละภพนั่นแลเพราะว่าภพนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความหลุดพ้นจากภพด้วยสสตทิฐิเรากล่าวว่าสมณะพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดไม่หลุดพ้นไปจากภพพวกนี้ถือว่าเออเดี๋ยวไปเกิดหนะ้าภพใดภพหนึ่งแล้วก็อมตะตลอดกาลซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ ก็หรือสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความสลัดออกจากภพด้วยความไม่มีภพหมายเขาว่าตายแล้วก็ศูนย์เรากล่าวว่าสมณะพรามเหล่านั้นทั้งหมดไม่สลัดออกไปจากภพนะเพราะว่าการออกจากวาตะไม่ได้ออกด้วยสัสตตทิฐิหรืออุเฉถ ท, ทิฐินี่แต่ออกด้วยอะไรสัมมาทิฏฐิเป็นประธานแห่งอริยมรรคเนี่ยนะก็ทุกนี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิ ุปธิคือขันห้าใช่ทุกทั้งหมดนี่เกิดเพราะอาศัยขันห้าความเกิดแห่งทุกย่อมไม่มีเพราะความสิ้นอุปาทานทั้งปวงอุปธินี่เกิดอะไรความทุกเกิดจากขันห้าถ้าหากว่าตัดฉันทราค่าในขันห้าก็ดับทุกได้ท่านจงดูโลกนี้สัตว์ทั้งหลายจํานวนมากถูกอวิชชาครอบงําหรือยินดีแล้วในสังขารก็ถูกตันหากับอวิชชาเนี่แหละครอบงํา ในขันธถ้าปัญจกะที่เกิดแล้วก็ไม่พ้นไปจากภพ น, นะอวิชชาตันหานํามาเกิดใช่ไหมพอเกิดแล้วก็เกิดอวิชชากับตันหาต่อไปแล้วเมื่อไหร่จะพ้นทุกข์ล่ะเมื่อไหร่จะพ้นจากภพล่ะก็ภพเหลา่าใดเหล่าหนึ่งในส่วนทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่าเบืบ้องขวางในส่วนทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสวรรค์อาบายและมนุษย์ทั้ ง, งหมดเนี่ยนะภพทั้งหมดนั้นนะ่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา อันบุคคลผู้เห็นขันธปัญจกะกล่าวคือพบตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้อันนี้คือวิปัสสนานะคือหมายก็ว่าพบทุกพบทั้งหมดเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่เห็นอย่างนี้เห็นด้วยอะไรก็เห็นเห็นนี่เป็นชื่อของอะไรแปลเห็นเป็นบาลีแล้วก็ปัฏนานั่นแหละก็คือเห็นแจ้งด้วยวิปัสสนาตามนี้ย่อมละภวะตัณหาได้เพราะละภวะตัณหาก็คือละความเพลิดเพลินในพบ ไม่เพลิดเพลินวิภาวะตันหาคืออุเฉทติฐิความดับด้วยอริยมรรคเป็นเครื่องสำรอกไม่มีส่วนเหลือเพราะถ้าจะดับกิเลสดับทุกข์ได้จริงก็ดับด้วยอริยมรรคเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงเป็นนิพพานนิพพานคืออะไรคือความสิ้นตันหานะตรงนี้บอกชัดเลยว่าเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเป็นนิพพาน พบใหม่ย่อมไม่มีแกภิกษุนั้นผู้ดับแล้วเพราะไม่ถือมั่นภิกษุนั้นครอบงำ ม, มานชนะสงครามล่วงพบได้ทั้งหมดเป็นผู้คงที่ชนีแหลอันนั้นก็คือพระองค์แยกแยะสองส่วนนะนะแยกแยะข้อปฏิบัติของสัตว์ทั้งหลายที่จมอยู่ในวัตตะเป็นอย่างไรส่วนผู้ที่ปฏิบัติเพื่อออกจากวัตตะนั้นนะเป็นอย่างไรอันนั้นก็แยกแยะได้อย่างชัดเจนในคาถาเหล่านี้ ซึ่งจะมีการอธิบายโดยลำดับต่อไปว่าคำว่าพุทธจักสุเมื่อกี้หมายถึงอาสยา น, นุสยายานและอินทรียะโปรปริยตายานเรียกว่าพุทธจักสุคือดวงตาของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระองค์นี้ตรวจ ด, ดู น, นะเจริตอัธยาศัยอนุสัยอธิมุตเป็นต้นของสรรพสัตว์ตรวจ ด, ดูอย่างไม่มีที่สุดเนี่ยนะรู้จากจริตนิสัยของสรพสัตสรรพสัตว์ทั้งหมด ดังที่ภาษารีบยบตรกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุได้ทรงเห็นแล้วแลซึ่งเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุจธุรีในดวงตาน้อยมีกิเลสดุจธุรีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนอาการดีอาการชั่วได้ดีตกยากนะผู้เห็นโทษเห็นภายในปารโลกเป็นต้นเนี่ยก็อาศัยพุทธจักสุนี่แหละตรวจดูตรวจดูโลกคือสัตว์โลก แต่โดยศัพท์นี้โลกกัพท์โลกกัพท์มีอยู่สามอย่างนะโลกะนะหนึ่งโอกาสโลกสองสังขารโลกสาสัตว์โลกโอกาสโลกก็มีในพุทธพจน์ที่ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์เวียนรอบสองสองทิศให้สว่างสวยัยมีประมาณเท่าใดโอกาสโลกมีประมาณพันหนึ่งเท่านั้นอำนาจของท่านเป็นไปในโอกาสโลกนี้ อันนี้คืออนุภาพของพรหมเนี่ยนะว่าพรหมนี่บางท่านมีอนุภาพเท่านั้นนะอันนี้หมายถึงโอกาสสโลกก็คือความรู้ในเรื่องโลกเรื่องจักรวาลเป็นต้นส่วนสังขารโลกอ่ะสังขารโลกโลกคือสังขารคือโลกหนึ่งโลกแบ่งเป็นโลกหนึ่ง6 7 8 9 1 0 1 2 1 8เจนี่ยนะโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดารงอยู่ด้วยอาหารโลกสองคือนามกับรูปโลกสาม เวทนา3โลก4อาหาร4โลก5อุปาทานขัน5โลก6อายตนะภายใน6โลก7วิญญาณทิติ7โลก8คือโลกกระท8โลก9สัตววาเ9โลก10อายตนะ10โลก12อายตนะ12โลก18คือท่า18เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสังขารโลก ก็คือสังขารทั้งหลายนั่นเองสังขารนี่แบ่งประเภทเป็นหนึ่งสองสามสเป็นต้นก็ได้ส่วนสัตว์ตะวัโลกอ่ะสัตว์นี้มันเป็นโวหารที่สมมุติว่าสังขารเหล่านี้เป็นเป็นสัตว์ใช่ไหมเพราะเพราะสัตว์โลกคือหมู่สัตว์ที่ยังยึดถือในโลกเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะมันสัตว์ตวะโลกเช่นโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงคือสัตว์ตายแล้วศูนย์หรือสัตว์ตายแล้วเกิดอีกกันแน่ ส ร, สรุปตายสัตว์ตายแล้วเกิดอีกหรือสัตว์ตายแล้วศูนย์สัตว์ไม่มีใช่ไหมแต่ว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นเหตุให้สําคัญว่าสัตว์มีอยู่จริงแต่ก็สัตว์นั้นมีอยู่จริงโดยโดยอะไรโดยโวหารเนี่ยนะโดยคําพูดแต่ไม่ใช่จริงโดยสภาวะอะไรในที่นี้ที่บอกว่าตรวจ ด, ดูสัตว์โลกตรวจ ด, ดูโลกด้วยพุทธจกักโศกหมายถึงตรวจ ด, ดูสัตว์โลกนั่นเอง บรรดาโลก3อย่างเหล่านั้นเนี่ยนะกล่าวโลกคือจั ก, กรวาลโลกคือจั ก, กรวาลทั้งหมดเรียกว่าโอกาสโลกเพราะอะไรเพราะเห็นคือปรากฏโดยอาการวิจิตจักรวาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิจิตพิสดารมากเนี่ยนะพันไอคำว่าโอกาสโลกคือสิ่งที่วิจิตสิ่งที่ปรากฏโดยอาการวิจิตนะวิจิตหมายคาอว่าตราการตานีส่วนสังขารโลกชื่อว่าอะไรสังขาระนะโลก1โลก2 3งสาชื่อว่าโลกกรเพราะ ย่อ ย, ยับผูพังอะน ะ, ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ชื่อว่าโลกโลกด้วยเหตุเพียงเท่าไหรน้อแลจึงชื่อว่าโลกพระเจ้าค่าพระองค์บอกว่าไงชื่อว่าย่อมสลายสิ่งใดย่อมสลายย่อมแตกสลายสิ่งนั้นชื่อว่าโลกพระองค์ก็แสดงโลกคือตาใช่ไหมจกักขูย่อมสลายหูเป็นต้นก็ย่อมสลายพวกนั้นจึงชื่อว่าโลกส่วนสัตวโลกอะสัตวโลกก็คือเป็นที่ดูบุญดูบาปเพราไรเพราะไอสัตว์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ เวลาทํากรรมก็อาศัยสัตว์นี่แหละทำกรรมนะทำทั้งดีทําทั้งชั่วใช่ไหมขณะเดียวกันก็เป็นที่ดูผลแห่งบุญดูผลแห่งบาปสัตว์นี่นะให้ดูว่าวิธีเขาทําบุญทําบาปกันและเป็นที่ดูผลแห่งบุญผลแห่งบาปะนะเพราะแต่ละท่านนี่สเสวยผลแห่งบุญบาปที่ไม่เหมือนกันก็เลยเรียกว่าสัตว์โลกเป็นที่ดูบุญดูบาปเป็นที่ดูวิบากคือผลบุญและผลบาปนั่นเอง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์ในสัตว์เหล่านั้นด้วยพระมหากรุณามีพระประสงค์จะให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากสังสารทุกข์จึงตรวจดูสัตว์โลกเห็นแล้วว่าพระองค์นี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าไอ้ความดับสังสารทุกข์คือการแทงตลอดอริยสัตว์บรรลุมรรคผลจนพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เห็นว่าหมู่สัตว์นี่ทุกข์มากอนะ ถามว่าพระ อ, องค์รู้ได้ยังไงว่าสัตว์มีทุกข์ก่อนหน้านี้นะตอนที่จุตูปปาตายานปุปเพนิวาสารุสติยานพระ อ, องค์ก็รู้จักความทุกข์ดีอยู่แล้วทีนี้พอเป็นพระพุทธเจ้าก็มาเห็นถึงความทุกข์ของสัตว์โลกอย่างละเอียดถี่ท่วนเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็เลยกรุณาปราถนาจะให้เขาเนี่ยบรรลุธรรมเป็นที่ดับสังสารทุกข์คือพระนิพพานความที่พระ อ, องค์มีเมตตาน้อมไปเพื่อจะให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานนี่แหละพระ อ, องค์ก็เลยตรวจ ด, ดู ถามว่าพงตรวจดูสัตว์โลกในสัปดาห์ไหนก็บอกสัปดาห์ที่หนึ่งจิงอยู่ในที่สุดแห่งปัจฉิมยามในวันสุดสัปดาห์ที่ทรงเข้าสมาธิพระผู้มีพระภาคเจ้าเปล่งอุทานอันแสดงอนุภาพแห่งอริยมรรคที่คาถาโดยสรุปว่าเมื่อใดแลธรรมะย่อมปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งอยู่เป็นต้นเนี่ยนะเมื่อนั้นพรามก็กาจัดความมืด ได้หมดนะเหมือนอะไรเหมือนดวงอาทิตย์สองสว่างในกลางหาวฉะนั้นอันนี้คือสูตรไหนสมสูตรแรกเนี่ยนะหนึ่งปฐมโพธิสูตรสองทุติยโพธิสูตรสามตติยโพธิสูตรเนี่ยนะสสูตรแรกเนี่ยสูตรที่1ประกาศถึงกําหนดปัจจัยสูตรที่สองกำหนดนิโรธคือความสิ้นปัจจัยสูตรที่3กําหนดอริยมรรคใช่ไหมสูตรที่หนึ่งอา่ะนะสูตรแรกเลยแรกๆเลยพอพระองค์เนี่ย คิดง่ายๆเอาย้อนกลับไปดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะสูตรที่หนึ่งในหน้า1สูตรที่สองหน้าไหนสูตรที่สองหน้าเจ็ดสสสูตรที่สามหน้า77ดเนี่ยนะหลังจากจบสูตรที่สมแล้วเนี่ยคือคือหมายความว่าโดยโดยระยะเวลานะพระองค์ พิจารณาปฏิจจสมุบาทโดยอนุโลมสี่ชั่วโมงปฏิโลมสี่ชั่วโมงอนุโลมและปฏิโลมสี่ชั่วโมงนะปฐมยามก็แปล่งอุทานมัชชิมยามก็แปล่งอุทานปัจฉิมยามก็แปล่งอุทานพอแปล่งอุทานจบพระองค์ก็มาตรวจดูสัตว์โลกตามสูตรนี้นะตรวจดูสัตว์โลกตามสูตรนี้ใช่ไหมคือพระองค์นี่ตรวจดูสัตว์โลกว่าอันดับแรกเราใช้เรือคือทํำ เรือคือโพธิปักขยธรรมนี้ข้ามห่วงน้ำใหญ่คือสังสาระที่แสนจะข้ามได้โดยยากอย่างยิ่งจึงยืนอยู่ที่ฝั่งคือพระนิพานานะเห็นชัดนะอุปมานี้คงชัดว่าอาใช้เรือใช้เรืออาศัยเรือคือโพธิปัจขยธรรมเนี่ยนะข้ามห่วงน้ำคือสังสารวัตรที่ยากเอ่อที่ข้ามได้แสนยากข้ามไปถึงไหนถึงฝั่งคือ พระนิพพานเอาเถิดบัดนี้สัตว์โลกเราก็จะให้ข้ามด้วยนะตอนนี้เราข้ามเสร็จแล้วใช่ไหมในความปรารถนาต่อไปก็คือจะช่วยให้สัตว์โลกข้ามอ้าวแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงจะพาเขาข้ามนี่จะต้องดูเขาก่อนใช่ไหมเขาจะข้ามหรือไม่ข้ามเขาอยากข้ามหรือไม่อยากข้ามนะอยากข้ามหรือไม่อยากข้ามอยาข้ามดูในตอนจะเวลาเลิกเรียนนี่จะข้ามหรือไม่ข้าม บอกได้เวลาเลิกปั๊บโอ้ยยังก่อนเดี๋ยวไปข้ามท่านหน้าอย่างงี้นะท่านก็บอกว่าสัตว์โลกเป็นอย่างไรเนาเนี่ยนะท่านกล่าวไว้ว่าครั้นล่วงเจ็ดวันนั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากสมาธิก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุขโวโลเกสิคือทรงเห็นโดยอาการต่างๆคือกระทำให้ประจักษ์ด้วยพระยานของพระองค์นะว่าเห็นสัตว์โลกเนี่ยเหมือนกับผลมะขามป้อม ที่วางไว้บนฝ่ามือแสดงว่าของพวกเรานี้เคยอยู่ในฝ่ามือพุทธเจ้าแล้วนะถ้าอุปมาเนี่ยนะพระองค์เห็นเราหมดแล้วว่าเราเป็นยังไงกันพระองค์จำมุทิตาหรือกรุณาการุณาอยู่แล้วนะเ <c oughs> มือ่อใดที่บรรลุเมื่อนั้ น, น, นนะจึงจะมุทิตายังไม่บรรลุก็กรุณาต่อไปนะ <c oughs> บทว่าอเนเกเหตุสันตาเปเหตุได้แก ah ่ด้วยความทุกข์เป็นอเนก นะด้วยความเร่าร้อนเป็นอันมากนะคือสรรพสาตทั้งหลายเนี่ยสันตาปะเนี่ยแปลว่าอะไรเร่าร้อนเดือดร้อนทุกท่านเรียกว่าสันตาปะเพราะอัจว่าทําให้เดือดร้อนนะเหมือนอย่างที่อัดของทุกขสัจจะคืออะไรปีละนะสังคตะสันตาปะและวิปริณามะนะปีละนะก็บีบคันสังคตะก็ปรุงแต่งสันตาปะก็เดือดร้อนวิปริณามะก็แปรปลวนมัน หมูสัตว์นี้เป็นอย่างนี้จริงๆใครที่เกิดมาในโลกนี้ก็เป็นยังไงก็บีบคั้นถูกปัจจัยปรุงแต่งเดือดร้อนแล้วก็ในที่สุดก็แปรไปเนี่ยนะก็สลายไปเพรารหมูสัตว์นี้สันตาปะคือเดือดร้อนเร่าร้อนของเราเนี่ยเดือดร้อนเพราะอะไรทุกข์ที่ทําให้เดือดร้อนมีอะไรบ้างทุกขะทุกเนี่ยนะทุกขะทุกทุกขะทุกคืออะไรทุกทางกายและทางใจเรียกว่าทุกขะทุก แล้วความสุขอ่ะเอาเกิดมามันจะไม่เด็กเจ็บปวดอย่างเดียวมันก็มีหัวเราะเพลิดเพลินอยู่บ้างเสียงหัวเราะเป็นต้นนั้นวิปริไหมแปรไหมแปรสังขารทั้งหลายเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นทุกถูกทุกกระทุกสวิปริณามาทุกและสังขารทุกข์แล้วก็ยังทุกอีกทุกตั้งแต่เมื่อไหร่บอกว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ปฏิโนที่ก็ทุกแล้วนะทุกตั้งแต่การเกิดในครันทุกตั้งแต่การ อธิบยว่าอย่างลงสู่คันทุกทั้งแอยู่ในคันทุกเพราะเกิดจากการบริหารคันทุกที่เกิดจากคันวิบัติทุกที่เกิดจากขณะคลอดจากคันหลังจากนั้นเลี้ยงชีวิตมาเรื่อยๆก็สบายกับทุกอันไหนมากกว่ากันสบายนั่งยิ้มอยู่ทั้งวันนี่เคยมีสักวันหนึ่งไหมไอ้เครียดทั้งวันนี่ของมาเชื่อว่าอาจจะมีบ้างบางคนเนี่ยนะทั้งวั น, นไม่ดีใจเลยแม้แต่นิดเดียวเครียดได้ทั้งวันเนี่ยนะ เศร้าทั้งวันเลยนะกับดีใจทั้งวันไม่เคยเครียดเลยทั้งวันเลยนะยิ้มอย่างเดียวมีความสุขมากมีบ้างไหมมีไหมพ่อมาไม่เชื่อหรอกไม่ทั้งวันหรอกเจอเดี๋ยวก็มีอยู่พักเดียวนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ทุกต่ออีกแล้วนะั่นนะบอกว่าฟังทำอยู่ดีๆยังแอบไปคิดเศร้าใจบางเรื่องเงินได้อย่างนั้นนะ เฟ้ไไนไว้ว่าจะทุกไปถึงไหนแต่ว่าจริงๆมันก็ยังทุกอีกอยู่ดีนะอะไรก็บอกว่าจะหายโรคจา ก, กโรคทางใจจริงๆมันยากนะคือคนป่วยเนี่ยนะเราคิดดูคนที่มีแผลเต็มตัวนี่ขยับไปไหนก็ปวดเมื่อยไปหมดใช่ขยับไปไหนมันก็เจ็บมันก็ปวดไปหมดอะฉันใดคนที่มีใจเป็นแผลก็ฉันนั้นเนี่ยนะว่าคิดเรื่องไหนปั๊บมันก็เจ็บอีกจนได้นะคิดไปคิดมาก็ไม่สบายใจอีกจนได้อันนี้คือปกติของสัตว์โลก ก็เลยเป็นโลกที่เดือดร้อนเป็นอันมากะนะถูกทุกเป็นอันมากครอบงาคือผู้เดือดร้อนคือถูกทุกเป็นอนเนกทุกเป็นอันมากบีบคั้นทุกเป็นอันมากเบียดเบียนบทว่าปริลาหิแปลว่าด้วยความเร่าร้อนเพราะอะไรเพราะถูกไฟเผารอบด้านเหมือนเชื้อไฟถูกไฟคือราคาเราะเผาถูกไฟกุโทสะเผาเป็นต้นเพราะไฟที่เกิดจากราคะ จึงอยู่กิเลสมีราคะเป็นต้นย่อมเกิดในสันดานใด ย, ย่อมเบียดเบียนสันดานนั้นเหมือนเผาอยู่เนะ่ยเผาจนเครียกว่าอยู่สงบสงบไม่ได้อยู่นิ่งนิ่งไม่ได้เนี่ยนะสังเกตดูเวลาอ่านพระธรรมศึกษาพระธรรมเจริญกรรมฐานเป็นต้นนี้จะรู้ว่าถ้าราคาเผาแล้วยากเนนะีเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าไฟสามกองคืออะไราราคาคิไฟคือราคะโทสัก ค, คิดไฟคือโทสะโมหคิดไฟคือโมหะ พราะไฟเหล่านั้นทําจิตและ ก, กายให้เศร้าหมองเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากิเลสเนี่ยนะเพราะไฟมันเผาซ ะ, ะจนเศร้าเนี่ยนะเศร้าใจยังไม่พอหน้ายังเศร้าไปอีกใช่ไหมเพราถูกเผาซะเกลี้ยงหมดเลยนะตาก็เศร้าเศร้าทั้งกายและใจเมื่อไหร่น่าจะดับไฟเหล่านี้ได้ถ้าดับไฟเหล่านี้ได้คงจะมีความสุขมากอ น, นะทําบุญตั้งความปรารถนาสาธุด้วยผลบุญนี้จงเป็นไปเพื่อดับไฟคือราคาดับไฟคือโทสะดับไฟคือโมหะเถะเนี่ยนะ ทำไมมันร้อนเหลือเกินเนี่ยนะแต่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนก็สนุกดีด้วยนี่ทีมันยุ่งมากเลยครับเนี้ยนะมันกลายเป็นฟิป巴าดไปแล้วเนี่ยลําบากมากเลยนะมันหาคือเรียกว่าอะไรอย่างที่โยมเขาเล่าอ่ะลูกเขาเนี่ยทุกจนมีความสุขกับความเจ็บปวดไปแล้วกันเป็นมะเร็งที่ไหนนะที่ตับนะเป็นมะเร็งที่ข้างในนะที่ตับเป็นต้นนะ เสร็จแล้วก็ทุกมาก น, นะเขาบอกว่าเจ็บปวดมากตอนนี้เขาบอกลูกเขามีความสุขกับความเจ็บปวดหลังจากนั้นไม่นานก็เผาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าขันห้ามก็เป็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าปริไดหมามเนพระผู้มีพระภาคก้าทรงแสดงถึงถึงกิเลสมีราคะเป็นต้นเป็นประวัติทุกข์และความที่สัตว์นี่ถูกประวัติทุกข์นั้นอะนะครอบงาำแล้วอนะถูกทุก คือชีวิตที่เป็นไปในวัฏฏะแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยนะชีวิตทั้งชาตินี่ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ภายนอกอยู่แล้วถ้าดูจากภาพนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าทุกข์แล้วในใจอีกล่ะเนี่ยนะไฟคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยเผาอีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นความเป็นไปของสรรัตว์ทั้งชีวิตเนะี่ยตลอดทุกภพทุกชาตินี่มีแต่ทุกข์ใช่ไหมก็คืออย่างที่พระองค์ว่าความทุกข์แต่ละชาตินี่มันก็ต้งหลังน้ําตาเนะีเก็บน้ําตาทุกภพทุกชาติมามันกก็มาาาวว่่น้้ํทะเเลลอยูแ ก็ถูกความเป็นความทุกข์ในวัตฏะนครอบงำท่วมทับบทว่าสันตปประมาณเนนี้ทรงแสดงถึงความที่สัตว์เหล่านั้นน่ะเป็นทุกทุกระยะการอย่างน้อยก็วิปริณามทุกขและสังขารทุก์สรุปว่าไม่มีระวางเลยนะทุกไม่มีระหว่างเลยอ่ะและความที่เป็นผู้มีอันตรายไม่ขาดระยะเพราะทุกมีอันตรายทั้งภายในและ ภายนอกเบียดเบียนบีบคั้นเองนะเวลาไหนที่เราคิดว่าสบายที่สุดเนี่ยนะพอได้พอมาคิดทบทวนอะ่ะเวลานั้นก็ทุกข์อีกที่สุดเหมือนกันตอนไหนที่เราบอกว่าเราไปเที่ยวสบายแล้วตอนนั้นบอกว่าสมมติบางคนไปเที่ยวมีความสุขมากเลยนะอีกที่หนึ่งบอกว่าไฟเผาแล้วอ่ะนะไฟเผาบ้านเผาอะไรแล้วถามว่าไอ้ความสุขที่เคยมีนี่เหลือไหมไม่เหลือแล้วเนี่ยนะเพราะหลายหลายคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นถึงตอนใดที่มีความสุขคิดหรือว่า เหตุการณ์เดียวกันนี่จะไม่ให้ทุกข์อย่างล้นเหลือเนนะเพราะที่ใดที่เราคิดว่าสุขนั่นแหละความทุกข์ก็ติดตามมาจากสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นแต่ก็ไอความที่ตัณหามันก็บอกว่ามันก็คงมีสุขแล้วนาคงมีสุขแล้วนา ก, ก็แอบหวังไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วก็กลับมาทุกขตามเดิมเนี่ยนะวนไปวนมาก็ทุกตามเดิมเพราะว่าไอหนทางที่จะออกจากทุกข์คือ อริยมรรตถ้าไม่เจริญอริยมรรตมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ถึงจะบ่นว่าทุกข์ขนาดไหนมันก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะวิธีออกจากท <m> ุกข์ไม่ได้เกิดจากการพร่ำบ่นอ้ อ, อนวอนแต่เกิดจากศิกขาสามที่บำเพ็ญให้บริบูรณ์จึงจะออกจากท <m> ุกข์ได้ถ้าไม่บริบูรณ์ด้วยสิกขาสามอย่างไรก็อย่างมากก็บันเท่าทุกข์ชั่วครั้งชั่วคราวไปอะไรไปอะไรแก้อีกอย่างหนึ่งไปพันอีกอย่างหนึ่งแ ก, ก่เรื่องหนึ่งไปเจออีกเรื่องหนึ่งก็อยู่แต่อย่างนี้แหละ ทบทวนเกี่ยวกับการตรัสรู้พระพุทธเจ้าในหน้า364ว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอัปปราชิต บ, บัลลังณควงโผล่พกในปฐมยามทรงระลึกปุเ พ, กปเพนิวาสยานก็คือด้วยอำนาจปุเพนิวาสยานก็ระลึกถึงขันที่เคยอยู่ในการก่อนมัชิมยามก็ชำระที่ผจักสุพิจารณาเห็นสัตว์เกิดตายนะแล้วก็พิจารณาถึงเหตุที่ทาให้เกิดนพบต่าง ปชิมยามก็พิจารณาปฏิจนะพิจารณาปฏนะิจจสมุปบาทคือหยั่งยานลงในปฏิจจสมุปบาททรงรู้ยิ่งวัตถุกข์อันมีกิเลสเป็นมูลนะวัตถุกทั้งหมดนี่มีอวิชชาเป็นเป็นมูลใช่ไหมอวิชชาปัจจาสังขาราสังขาราปัจจาวิญญาณังเป็นต้นนั่นแหละพระองค์ก็พิจารณากําหนดสังขารเจริญวิปัสนาโดยลําดับทรงกําจัดกิเลสให้ปราศจากไป คือถอนฉันทราคาในอุปาทานขันหทั้งหมดน่ะ น, นะตรัสรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองด้วยการบรรลุอริยมรรคเพราะละกิเลสได้เด็ดขาดก็คือกําจัดกิเลสกาจัดกิเลสละกิเลสนี้ก็เป็นชื่ออะไรด้วยปะหานะนะปหานะานะใช่ไหมอนุภาพของที่ไปละได้คือตัวไหนที่นำาให้ละทำให้ละตัวที่ละคืออริยมรรคในลำดับ ปัจเจกขณะยานคือหลังจากที่อรหัตตมรรคอรหัตตผลเกิดปัจเจกขณะยานเกิดก็เป่งอุทานว่าอเนกชาติสังสาราังสันคาวิสังอ น, นิภพสังเป็นต้นนะนะอันแสดงถึงความที่พระองค์นี้สิน้นสุดสิ้นวัตถทุกแล้วนะสำหรับตัวพระองค์เองเนี่ยถือว่าตั้งแต่นั้นไปเนี่ยทุกทางใจและทุกในปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้าอีกแล้วรู้ว่าจบจริงๆละ เมื่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละในการพิจารณาอะไรนะอเ น, นกชาติสังสารังเป็นต้นเนี่ยหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทับนั่งขัดสมาธิสเสวยวิมุตติสุขตลอดเจวันในสามยามแห่งราตรีในวันที่7ปฐมยามเปล่งอุทานที่หนึ่งะนะมัชิมยามเป่งอุทานที่สองในทุติยโพธิสูตรนะนะปชิมยามก็เป่งอุทานที่สาใช่ม ต, ตัยโพธิสูตร หลังจากนั้นพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุพระองค์เห็นว่าวัตทุกของสัตว์ทั้งสิ้นนี้มีกิเลสเป็นมูลขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เป็นปวัตติทุกทุกที่เป็นไปนะนะปวัตติหรือปวัตตาแปลว่าเป็นไปคือเป็นทุกที่เป็นไปและเหตุแห่งทุกแม้ต่อไปหมายถึงว่ากิเลสเนี่ยเป็นมูลให้เกิดความทุกขณะที่เห็นเห็นกันอยู่นะ อะไรกิเลสเป็นเหตุให้สแสวงหาเป็นต้นใช่ไหมทีนี้กิเลสก็ยังเป็นมูลแห่งปฏิสนธิในพบใหม่ต่อไปพระองค์ก็เลยเห็นแล้วว่าสัตว์โลกนี่เดือดร้อนเนี่ยนะราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นก็เผาให้รล่าร้อนให้เดือดร้อนในขณะนั้นๆขณะเดียวกันกิเลสเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้ทุกข์ต่อไปในพบใหม่เนี่ยให้เกิดเป็นทุกข์ต่อไปพระองค์ก็เห็นแล้วว่าเห็นความทุกข์ของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะ พอเห็นความทุกข์ของสัตว์ที่เป็นไปในวัฏตะทั้งหมดพระ อ, องค์ก็ทราบเนื้อความโดยประการทั้งปวงที่สัตว์โลกถูกความเร่าร้อนห ม, ม่นไหม้หม่นนี่เป็นยังไงหม่นหม่นก็ไม่ไม่ผ่องใสใช่ไหมไม่สดใสะนะก็คือเป็นยังไงเศร้าเลยใช่หมหม่นแล้วก็ไหม้อะเกรี้ยมเลยนะถูกย่างแท้จนถูกไฟนะไฟคือราคามันย่างซ้จนจะเป็นอะไรนะ เป็นคนย่างอยู่ไม่ใช่ไก่ย่างนะเป็นคนถูกย่างไปแล้วนะถูกไฟคือโทสะมันย่างถ้าจนจะสุกอยู่แล้วถูกไฟคือโมหะนี่ย่างอยู่นั่นแหละยางจนหน้ากริ๊มเลยแหละนะก็เลยครอบงําท่วมทุกอยู่นี่พ อ, องก็เลยแปลงอุทานประกาศถึงความดับสนิทแห่งความเร่าร้อนหม่นไหม้ทั้งปวงนะําอุทานเนี่ยพระ อ, องค์ประกาศถึงข้อปฏิบัติที่ทําให้ดับความเร่าร้อนส่วน รายละเอียดในอุทานก็คงพักก่อนนะเดี๋ยวจะเอารายละเอียดมามากล่าวให้พิดารขึ้น